<Book> 85. คำถามอดีตการหนึ่งสปอร์สมูลดัทท 1. คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วว่ามากฮาดูดราค์ คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วคุณนอนหลับสบายไหมคุณสอบผ่านได้อย่างไร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 คุณไปอยู่ที่ไหนมา <are> คุณเคยอยู่ที่ไหนมา <are> คุณเคยทำงานที่ไหนมาคุณแนะนำอะไรไปแล้ว คุณทานอะไรมา well, คุณได้พบอะไรมา well, คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่คุณใช้เวลาบินนานเท่าไห